ท่านฟังคะท่านกำลังฟังรายการสรนสนีสนทนาดําเนินรายการโดยดิฉันสรนสนีนาคพงศ์นะคะทุกวันเราจะมีการอ่านพุทธประวัติจากพระโอษฐ์ให้ท่านได้ฟังกันอ่านมาตั้งแต่ช่วงต้นของประชนชีพของพระพุทธองค์จนมาวันนี้ถึงจวนจับปริณิพานแล้วนะคะเรื่องที่จะอ่านในวันนี้เป็นเรื่องการทรงทำรรนาที่มีอมตะเป็นผลค่ะโดยพระพุทธองค์นั้น ได้เสด็จไปบินทบาทที่นาของพรามขณะที่กาลังประชุมพวกพ้องทำมงคลแรกนากันอยู่อย่างเอิกระเริ่บพรามที่ว่านี่คือพรามกะสิพารทวาชะที่นาตำบลพรามนาคามทักคีนาคิรีชนบทในแคว้นมคตค่ะพรามเมื่อเห็นพระองค์มายืนอยู่ใกล้ๆ ก, ก็กล่าบบริพาทพระองค์ขึ้นก่อนดังต่อไปนี้นะคะว่าสมณะเราย่อมไถเราย่อมหวาน ครั้นไถหวานแล้วจึงได้บริโภคสมณะถึงแม้ท่านก็จงไถหวานเข้าสิครั้นไถหวานแล้วจักได้บริโภค พ, พระพุทธองค์ตรัสว่าพรามถึงแม้เราก็ย่อมไถ ย, ย่อมหวานครั้นไถแล้วหวานแล้วจึงได้บริโภคเหมือนกันพรามเถียงนะคะ บ, บอกว่าก็พวกเราไม่เห็นแอกไถผานประตักือโคของพระโคดมเลยแต่พระโคดมสิเมื่อกล่าวอยู่ดังนี้ พร่ำกล่าวดังนี้แล้วก็ได้กล่าวคำที่ผูกเป็นกาบสื่อไปเป็นการตอบโต้กันว่าท่านปฏิญญาตัวเองว่าเป็นชาวนาแต่เราไม่ได้เห็นไถของท่านท่านผู้เป็นชาวนาถูกเราถามแล้วจงบอกโดยวิธีที่เราจะรู้จักการไถหวานของท่านเถิดพระองค์ตอบว่าศรัทธาเป็นพืชความเผาพลานกิเลสเป็นน้าฝนปัญญาของเราเป็นแอกและคันไถฮิริ เป็นงอนไถใจเป็นเชือกชักสติเป็นผานและปรตตักการคุมกายคุมวาจาคุมท้องในเรื่องอาหารเป็นรั้วนาเราทำความสัตย์ให้เป็นผู้ถากหญ้าทิ้งความยินดีในพระนิพพานที่เราได้รู้รสแล้วเป็นการกำหนดการเลิกทำนาความเพียรของเราเป็นผู้ลากแอกไปลากไปสู่แดนอันเป็นที่เกษมจากโยคะ ไปอยู่ไปอยู่ไม่เวียนกลับสู่ที่ซึ่งบุคคลไปถึงแล้วย่อมไม่เศร้าโศกการไถานาที่ไถแล้วอย่างนี้นานั้นย่อมมีอมะตะคือความไม่ตายเป็นผลรั้นไถานานี้เสร็จแล้วย่อมหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงชาวนานะคะมากล่าวในลักษณะที่ว่า เราเนี่ยทำมาหากินทำนาพระพุทธองค์ทําอะไรพระพุทธองค์ก็เลยเปรียบว่าสิ่งที่ทรงปฏิบัตินั้นถ้าเปรียบกับการทํานาเป็นอย่างไรแต่ผลไม่ใช่ได้ข้าวอย่างเดียวผลของพระพุทธองค์นั้นนามีความไม่ตายเป็นผลไถนาเสร็จแล้ว ห, หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงมันี่ก็คือส่วนหนึ่งของพุทธประวัติจากพระโอษฐ ในช่วงจวนจับปรินิพานซึ่งรายการเราสันสนีสนทนานำอ่านให้ท่านฟังติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะใกล้จะจบแล้วล่ะมีอยู่700หน้าโดยประมาณนี้ก็อ่านมา381หน้าแล้วค่ะท่านผู้ฟังคะเรามีถ้อยคำของพระพุทธองค์หรือที่เรียกกันว่าพุทธวจนะธรรมวินัยจากพุทธโอด์ให้ท่านได้เรียนได้คุ้นเคยกันสมดังพุทธประสงค์ที่อยากให้เรียนรู้ข้อธรรมจากพระองค์เองนะคะไปคอยศึกษากัน เป็นพ็อกเก็ตบุ๊กเล่มเล็กๆชื่อพุทธวัตรฉบับก้าวย่างอย่างพุทธทะที่แจกอยู่ในขณะนี้นะคะแล้วก็แจกได้นานเพราะว่าทำเป็นของอมตะนะคะใช้ได้ตลอดกาลนานต้องบอกว่าอย่างนี้นะคะแล้วก็อ่านง่ายพกง่ายติดต่อมาที่0 2 2 6 9 0 0ง6 0 2 6 6 9 0 0าวันละ5เล่ม น, นะคะที่แจกให้จริงๆมีแผ่นพับฉบับย่อพี่ถ่าจานทร์ไพบุญอภิปุนโนนะคะได้ เตรียมมานอกเจากจากที่พระอาจารย์คึกฤทธิ์โสติพโลได้มอบให้ในส่วนของหนังสือพุทธวัตรฉบับเก้าย่างอย่างพุทธเนี่ยนะคะของพระอาจารย์เปย์บุ์จะเป็นแผ่นพับซึ่งดิฉันอยากจะได้นํามาแจกในช่วงปลายปีเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ร่วมกันกับหนังสือฉบับอื่นๆก็แล้กั น, กนคอยติดตามนะคะแล้วเดี๋ยวจะกําหนดว่าจะเริ่มแจกตั้งแต่เมื่อไหร่ให้วันนี้ก็คงจะร่ำลากันไปแต่เพียงเท่านี้ก่อน ไว้พบกันอีกนะคะในวันต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ